วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบสามตุลาสองพันห้าร้อยกสิบเนาะเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาสิบสามตุลาสองห้าห้าเก้าก็เป็นวันที่สู่สวรรค์าคาลัยของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนาะ ก็เป็นวันที่ชาวไทยนะทั้งประเทศกม็มีความสูญเสียนะในดวงที่คองราชยาวนานที่สุดหลายคนก็เสียใจมากนะร้ อ, องไห้ไปหลายวันบางคนก็รู้สึกเศร้าไปหลายเดือนนะ แต่เวลาผ่านมาหนึ่งปีนะมันก็เร็วเหมือนกันนะเร็วปีที่แล้วยังมีกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้แนละ้วก็พอทราบข่าวเขาก็หลายคนก็ตกใจนะหลายคนก็ก็ทำใจได้นะหลายคนก็อาจจะมีความเสียใจมากหน่อย ขนาดรู้นะว่าท่านก็ป่วยอาภาษหนักนะเรียกว่าอะไรต้องพับประชวนะพรบประชวนมานานแล้วนะแต่ก็พอถึงคราวที่จะเสียหลายคนก็รู้สึกไม่เชื่อนะนะหรือว่ายังรับไม่ได้นะพอรู้ๆก็คงหวังให้ท่านมีปาฏิหาริษ์นะ คนไทยหลายคนก็หวังปาฏิหารนะพยายามสวดมนตนะ์สวดมนต์ช่วยนะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพื่อหวังว่าปาฏิหารจะช่วยนะยื้อชีวิตหรือช่วยให้หายกลับมาเป็นปกติได้นะแต่จริงปาฏิหารจริงจริงมันไม่ใช่เพื่อให้มัน คนไม่ตายเลยเนาะไม่มีปฏิหารไหนะจะช่วยรักษาคนให้ให้ไม่ตายได้แต่ปฏิหารจริงๆกนะ็คือความความไม่ทุกข์ใจนะปฏิหารจริงๆคือความที่เราเข้าใจชีวิตนะถ้าเราเห็นว่าที่จริงเรื่องเรื่องทานองนี้เนาะ นะเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคสูญเสียนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริยนะ์เป็นผู้นำประเทศเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนธรรมดานะเป็นสัตว์ทั้งหลายนะก็้อล้วนหนีไม่พ้นนะนะ อาการของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นจริงๆนะแต่แน่นอนอะคนทีนะ่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเนะี่ยใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์นะคนที่เมื่อเมื่อคราวที่เสียชีวิตไปก็มีคนอาลัยอาวร์มีคนเสียใยเยอะเนะี่ยเพราะที่จริงถ้าเราทบทวนจริงๆชีวิต ที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ของเราคืออะไรเนาะอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ใช้ชีวิตเนี่ยที่มีคุณค่ามากเนี่ยทาประโยชน์เนีท่านอาจจะเน้นทาประโยชน์ใหี่กับประชากรนะในประเทศไทยแต่จริงตัวอย่างที่ท่านทำก็เป็น ผลกระทบต่อหลา ย, ลายประเทศนะหรือเพื่อนำล า, ลายชาติที่เอาแนวคิดของท่านนะเอาปัจจยาบางส่วนของท่านไปประยุก์ใช้ในประเทศของเขานะคือท่านอาจจะเน้นทำตรงนี้นะแต่มาตอนช่วงที่ท่านเสียใหม่นะก็มันก็มีข่าวออกมาหล า, หลายเรื่องนะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกก็ทึ่งเหมือนกันคือท่านเป็นในหลวงเนาะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าจะไม่ผิดอะตั้งแต่ประมาณปีสองพันห้าร้อยเก้าหรือห้าร้อยสิบประมาณเนะี้ยท่านไม่เคยเสด็จออกไปครั้งคืนนอกประเทศไทยเลยคือเวลามี ม, มีกิจจะเรียกว่าอะไร พระราชกรณเี่กิจต่างประเทศเนี่ยท่านก็ส่งคนอื่นรูปอื่นไปแทนนะแต่พระองค์ไม่ไม่ไม่ไปเองเลยนะคล้ายๆท่านอยากให้มีเวลาอยู่ในการทํางานที่เมืองไทยนะมันมีอยู่แค่ปีเดียวที่ไปเปิดสะพานมิตรภาพไทยดาวแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทร์บ้างแต่ก็กลับมาค้างคืนที่ที่เมืองไทยนะโอ้เราก็เห็นว่าขนาดท่านเป็น พระมหากษัตย์เนาะแต่ท่านแบบมไม่ได้แบบเดินทางไปต่างประเทศร่วมสี่สิบปีกืบสี่สิบปีได้นะอยู่ในประเทศไท ย, ยท่านใช้เวลาทรงงา น, น, นเพื่อประชากรชาวไทยแบบเรียกว่าตลอดเวลาเลยคือท่านเห็นวอาสิ่งที่มี การที่ไปต่างประเทศก็คงได้ดูนั่นดูนี่บ้างนะแต่เขาองค์ก็คงได้ดูเยอะแล้วแล้วก็ก็เห็นว่าไม่ไม่ได้จำเป็นมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออคนหลายคนที่เขาทุ่มเทชีวิตเนาะเพื่องานอะไรทั้อย่างที่มองเป็นงานที่มีคุณค่ามีหลายคนมากนะ ที่อย่างอย่างผมเนี่ยอาตจะมาชอบชอบอ่านนะประวัติบุคคลต่างๆหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพวกสื่อเนาะเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่เขาทำสารคดีรายการต่างๆมันก็มันก็ดีนะเหมือนเหมือนสดุปชีวิตของแต่ละคนให้ให้เราได้เห็นว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่าง มีคุณค่ายอย่างไรนะเคยได้ดูของตอนหนึ่งเขาชื่อหมอปานะี <c> ่ <oughs> เขาเพิ่งรู้จักนะเพิ่งเหมือนเขามีฉายาว่ามือปากสำเพอเบสี ừ ừ ก็ที่บ้านเา้าที่บ้านราเดเพชบุรีเนะี่ยก็จะมีคนคนป่วยนะญาติพี่น้องพาคนป่วยมาหาหมอ เยอะมากนะวันหนึ่งรักษาเป็นหลายร้อยคนอยู่ที่บ้านก็มีคนนอนร้อยสองร้อยคนนะอยู่ประจำเนฉะพาะคนป่วยนะยาตคนป่วยที่ดูแลอีโรักษาแบบรักษาฟรีนะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยรือเขาใช้ชีวิตแบบช่วยคนนะแต่มันก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวไหนนะ บางทีก็มีการไล่ผีบ้างบางทีก็เหมือนให้กำลังใจบ้างบางทีก็เหมือนเชิญจิตวิทยาบ้างพูดให้ให้เขาดีขึ้นเนอะก็ไม่ได้มากหรอนะเพราะว่าวันหนึ่งก็คนเขาบอกว่าเสาที่นี้ประมาณวันละห้าร้อยนะวันธรรมดานี่ก็ต้องหลายร้อยลงมัอนกัน ทำงานแบบนมาสิบกว่าปีเขาบอกนะไม่มีวันพักนะมีวันพักที่หยุดหน่อยนะแต่หยุดก็คือเพื่อไปรักษาที่ต่างจังหวัดหนะม่ถึงว่ามีคนเชิญไปดูนั่นดูนี่นะที่ต่างจังหวัดคือมันก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องสิ่งดีรักนะแต่เขารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้แล้วเขาก็ช่วยนะแต่ถ้าติ่งแบบงมงายเนี่ยเขาไม่เอาเหมือนกันนะ งมงายอันนี้ไอ้เรื่องความเชื่อ น, นั้นเราก็ยกไว้นะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นว่าเป็นข้อดีคือว่ามันความเสียสละเนาะความเสียสละนะความเสียสละของเขาเนะี่ยที่รู้สึกว่าความสุขที่เราความคือความสุขที่ตัวเองจะได้รับน่ะมันไม่ใช่การที่ต้องไปกินไปเที่ยว หรือว่าต้องพักผ่อนนะแต่ความสุขที่ที่ได้รับคือช่วยคนให้ให้พ้นจากความทุกขนะ์เวลาเขาป่วยเขาไม่สบายเขามีความทุกข์พอช่วยคนนี้พ้นจากความทุกข์ได้เนะี่ยเราเองก็มีความสุขละอืตัวอย่างของหลายๆคนที่ที่ทำประโยชน์ช่วยผู้อื่นเนาะคือ เราอาจจะเสียเวลาเสียกำลังนะต้องเหนื่อ ย, ยบางคนก็เสียทรัพย์นะแต่ความสุขที่ได้มาคือนี่แหละนะเมื่อเขาพ้นจากความทุกข์หรือความทุกข์เขาลดลงนะเราเองก็มีความสุขใจเนะี่ยบุคคลในหลายคนนะอย่างเช่นแม่ชีเทลท่านะในหลายคนที่ทำประโยชน์นะต่อส่วนรวมนะก็เป็นคนที่น่ายกยอก่องนะ อย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราก็ก็เป็นบุคคลที่ที่น่ายกย่องนะครูบาอาจารย์บางลูกท่านก็ไม่รู้ท่านยังไงท่านก็ว่านะนะพระองค์นาจะทรงบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่กนะ็ก็อาจจะจริงนะนะในปัจจุบันในชาติที่เราได้สัมผัสได้รู้จักก็ ก็เป็นเหมือนพพธิสัตว์นะพระองค์หนึ่งที่มาสู่โลกมนุษย์แล้วก็ทำประโยชน์นะบำเพ็ญบารมีในหลายอย่างนะแต่ก็อาจจะสะสมบารมีไปท่านอาจจะปัฒนาพุทธภูมิหรือเปล่านั่นเราก็ไม่ทราบด้ว ย, ยานของเราเนาะแต่ก็มีแต่หลายครั้งท่านก็พระองค์ก็ไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์นะมีตอนหนึ่ง เป็นเรื่องดีมากนะท่านไปสนทนาทำกับหลวงปู่ดูลนะก็ไปถามกับหลวงปู่ดูลว่านะกิเลสตัวไหนที่ควรจะละก่อนหนะลวงปู่ดูลท่านก็ตอบนะบอกว่ากิเลสตัวไหนเกิดก่อนก็ให้ละตัวนั้นก่อน <c oughs> เออเนี่ยนะเป็นเรื่องน่าสนใจนะคือบางทีเราก็ คือกิเลสถ้าพูดอย่าหยาบเนาะก็แบ่งไป็ามอย่างนะคือความโลภความโกรธความหลงนะจะรับความโกรธก่อนดีกว่าไม่เพราะมันหยาบกว่านะที่จริงก็อย่างที่หลวงปู่ ด, ดูลตอบก็ถูกมากนะก็คือว่าตัวไหนมันเกิดก่อนก็ละตัวนั้นแหละนะคือหลวงปู่ท่านชี้ตรงที่ปัจจุบันนะ คือเราไม่สามารถคาได้หรอกว่ากิเลสตัวไหนไม่จะเกิดก่อนเกิดหลังนะเราก็ต้องรักกิเลส ท, ที่ตที่ตรงปัจจุบันนะปัจจุบันกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานะก็รักกิเลสตัวนั้นแหลนะคำว่ารักก็คือเนี่ยแหละนะก็คือรู้มันนะรู้มันไม่เติมเชื้อให้กับมันนะเชื้อของกิเลสก็คือความอยากอะไรนะ ความอยากให้มันอยู่หรือว่าความอยากให้มันหายเนะี่ยก็เป็นเชื้อของกิเลสอนะืมคือการที่เราไม่เติมเชื้อนะให้กับกิเลสเนะี่ยกิเลสเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าเบียบเทียบเหมือนกับของนะที่คนอื่นเขาโยนเข้ามานะถ้าเราไม่รับเสียนะมันก็ตกไปนะแต่ที่จริง เราเป็นทุกข์เพราะเราไปรับสิ่งนั้นมานะก็รับดีบ้างรับไม่ดีบ้างนะแต่มันก็ติดแล้วนะเมื่อเรารับนะมีคนโยนอะไรให้มาเราก็รับเลยนะมีคำพูดนะนินทาเ็มานะเราก็รับนะเป็นตัวของเรานะมีคำพูดสรรเสริญเราก็รับเขาคำชมมาเราก็ตัวลอยหลงไปนะนะสิ่งไดเกิดขึ้นนะนะ ได้ราบนะก็ใจดีใจนะเสียราบนะหรือของหายก็เสียใจนะแต่จริงมันก็อืมเพราะเราไปยินดียินราย์นะในสิ่งที่ได้มานั่นแหละนะได้ดีก็ดีใจได้ไม่ดีก็เสียใจนะเพราะเราไปรับมันเองนะ แต่จริงถ้าเราฝึกสติก็คือฝึกรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันสิ่งที่กระทบนะเราต้องได้ยินเป็นธรรมดานะต้องได้ยินเป็นธรรมดามียิ่งโรคสมัยนี้นะมันเป็นโรคที่แบบการสื่อสารมันมันเยอะมากนะมีข่าวนะหลายๆอย่างบางทีก็เคยอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกเออมันก็มีแนวคิดดีๆของหลายคนนะเขาบอก อย่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะหน่อยเนาะหรือ ม, มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีก็มีทั้งคนชอบมีคนไม่ชอบนะบางคนก็แบบวิจารณนะ์หรือดา่าเยอะแยะมากมายนะหลายคนที่เป็นบุคคลสาธารณะก็จะอืมรู้สึกไม่ชอบนะไม่ชอบก็เลยไม่อ่านเลยนะจะได้ไม่ไม่ต้องไปทุกข์ แต่หลายคนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะอ่านนะอ่านจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรว่าอย่างไรจริงเท็จอย่างไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อ่านเพื่อให้รู้นะคือค น, คนประเภทแรกนะคือไม่อยากทุกข์ก็เลยไม่อ่านไม่ฟังปิดเลยไม่สนใจนะแต่คนประเภทหนึ่งก็โลกจิตหน่อยนะคือก็ไม่ใช่โลกจิตหรอกคือเขา เขาว่าเราแบบนี้แต่ก็อ่านดูฟังดูเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ไม่ปิดอนะ่ะฟังจใจรู้ว่ามันเป็นแบบไหนอแต่ก็มันก็มีความเสียเวลาบ้างแหละนะนะแต่มันก็มันก็เป็นท่าทีที่เราได้เรียนรู้ได้ว่าเออการที่บางคนเนี่ยเขาไม่อยากทุกข์ไม่ใช่คือเขาคือเขาไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าอะไรนะเขาเขาว่าเ ข, า, ขาพยายามปิดกั้น ปิดกั้นการรับรู้ปิดกั้นข้อมูลต่างๆนะก็เลยแบบไม่สนใจแต่ที่จริงก็คือหวั่นไหวนะกลัวนะว่าถ้ารู้ถ้าเห็นแล้วจะเครียดนะแต่ก็โอเคสำหรับถ้าใครจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งก็วิธีแบบนั้นก็ก็ถือว่าเหมาะอยู่นะเพราะว่าถ้าไปรับมากไปนั่นมากก็ก็คงไม่ไหวนะแต่บางคนอินทรีเขาแก่กล้าหน่อยนะเขาอ่านเลย อ่านแล้วก็พิจารณาคำชมเป็นแบบนี้คำว่าเป็นแบบนี้นะจิตใจนะเราก็ได้ประโยชน์จากทั้งคำชมแล้วก็คำตำหนินะนะเรียนรู้นะพัฒนาตนจากจากสิ่งที่เขาสะท้อนนั่นแหละนะสะท้อนถูกบ้างสะท้อนผิดบ้างนะแต่อย่างไรเราก็ได้เรียนรู้นะเรียนรู้อารมณ์ของเราเองว่า อารมณ์ขนาดที่รับรู้ตรงนั้นมันเป็นอย่างไรดีใจหรือว่าเสียใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนนะเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนเศษขยะเศษใบไม้ใบหญ้านะก็เปลี่ยนกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เข้มแข็งขึ้ น, ใ ห, นให้เติบโตขึ้น นั้นบางทีคำตำหนิคำนินทาหรือคำอว่าร้ายเนี่ยก็ดีนะนะมีคนตำหนิบ้างก็ดีแล้วนะ เ, เราจะได้ไม่หลงตัวดื่มตนนะาบางทคิดว่าคนจะชอบเราทั้งหมดเหรอมันก็ไม่ใช่นะทุกๆคนนะแม้แต่ในหลวงราชการที่เก้ายังก็ ก็มีคนนักนะพระองค์ก็เป็นส่วนมากนะก็มีคนไม่ชอบก็มีนะมันก็เป็นธรรมดานะไม่แต่พระพุทธเจ้าเราศึกษาประวัติพระองค์ท่านโอ้ก็มีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนจะทำร้ายพระองค์นะก็มีเหมือนกันนะเออเราก็เออถึงคนเราบางทีคิดว่า เราทำอะไรคนนี้ถึงไม่ชอบเรานะนั่นนี่นะแต่จริงก็เป็นกันทุกคนนะไม่มีใครหนีโลกธรรมพ้ น, นแต่ถ้าเรามีสตินะมีธรรมะประจําใจเนี่ยเราก็จะฝึกในการรู้เท่าทันสิที่มันกระทบนั่นแหละนะกระทบนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างไรนะ เราฝึกรู้ทันสิ่งที่กระทบนะกระทบแล้วจิตใจรู้สึกอย่างไรนะดีใจเสียใจหรือเฉยๆนะแล้วก็ฝึกรู้ทันนจะิตใจมันปรุงแต่งต่อหรือเปล่านะเราก็รู้ทันไม่ปรุงแต่งต่อนะเราก็รู้กายของเราต่ออะไรแบบนี้นนะก็ในชีวิตประจําวันมันก็อาจจะต้องเจอเรื่องพวกนี้นะนอกจาก นีอันเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่วัดหรือเราไม่ได้ทํางานอะไรมากเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากนะเราปฏิบัติในรูปแบบมันก็อาจจะเป็นอารมณ์เก่าๆมันผุดเข้ามานะมันก็เหมือนเคีย่ยนะเคียร์ตะกอนในใจเคี่์สิ่งที่จิตมันจดจําไว้มันติดไว้นะมันก็เคี่ยออกมานะเรื่องราวต่างๆก็พูเข้ามานะ หรือบางอย่างก็ปูุงไปของมันเลยมันก็แล้วแต่นะแต่ก็ดีนะมันเหมือนเราได้เคลียขยะนะเห็นมันบ่อยๆเหน็นไม่บ่อยนะเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเอาเหตุผลทำไมมันถึงคิดอย่างงั้นทำไมถึงรู้สึกอย่างงั้นนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาเหตุผลอะไรกับมันเลยนะความคิดแบบนั้นนะไม่ต้องเอาเหตุผลแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมา แค่รู้ว่าจิตมันคิดเนะี่ยแค่รู้ว่าจิตมันรู้สึกเนะนะนี่ยพอละนะเนี่ยเป็นการเหมือนคล้ายๆเคลียขยะออกไปเหมือนกวาดไปเลยกวาดไปเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์มันมาจากไหนนะเมื่อเราจะกวาดสาลระเราวกวาดไปเลยกวาดไปเลยนะอะไรขยะก็กวาดทิ้งกวาดทิ้งกวาดทิ้งนะอารมณ์ก็เหมือนกันอะไรนะออะไรเกิดขึ้นมาก็กวาดทิ้งนะรู้ทันนะนะละไปแล้วละไปแล้วนะ เนี่ยถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบก็จะเจออารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างนะอดีตที่มันหมักหมมอนาคตที่เรากังวลนะหรือที่เราปรุงแต่งไปจินตนาการไปนะก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยหรือปัจจุบันเองก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะทางตาทางหูอะไรนะก็กระทบไปก็อาจจะมีถ้าเราไม่มีสติก็จะเผลอรปรุงไปเนะี่ย เห็นหมาเห็นดอกไม้เห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นคนนะบางทีตอนมันเบื่อเบื่อมันก็จะไปมองเข้าไปสนใจเขานะก็ปุุงไปกับเขานะแต่ถ้าเรารู้ทันเราก็กลับมากลับมานะแต่ในส่วนของการทำงานนี่อาจจะเจอกับอารมณ์กระทบที่ปัจจุบันเนี่ยเยอะนะบางทีเราก็ลงไปนะกับคนทำงานด้วยกันนะเราไปมีอารมณ์กับการทำงานนะ บางทีเราก็หลงไปนะไปเรียกว่าดีใจเสียใจไปกรรมนานแบบนี้เนาะแต่หลงไปก็ให้เราฝึกรู้เท่าทันเนาะฝึกรู้เท่าทันไม่ใช่ว่ามันจะหลงไม่ได้นะหลงไปเราก็เรียนรู้ว่าอืมมันหลงไปแล้วนะกลับมาใหม่นะตั้งหลักใหม่แบบนี้เนาะคือชีวิตจริงชีวิตจริงๆริงนะอย่างผมเวตาลารู้สึก อย่างเรานิย า, ามคําว่าภาวนาเนะี่ยบางทีเราก็มันอาจจะเป็นคำบาลีนะเป็นอะไรที่มันบางทีเราก็ฟังคุมค้มคือเคลือนนะแต่ผมชอบนิย า, ามคําว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าพัฒนานะคือก็คือพัฒนานะอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนานะก็คือพัฒนาจิตใจเนี่ยแหละนะ พัฒนาจิตใจให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะนะพัฒนาจิตใจให้มีเกิดการนะรู้ความจริงนะจนพ้นจากความทุกข์ได้นะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็ถ้าเรามองว่าเราใช้ชีวิตเพื่อการพัฒนาจิตใจนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนเป็นโจทย์ หรือเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาจิตใจได้ทั้งนั้นนะไม่มีอะไรไม่ดีนะถ้าเราถ้าเรารู้จักนะรู้จักใช้สติปัญญาเข้าไปดูแลแก้ไขปรับปรุงอย่เรื่อยนะไม่มีอะไรเสียเวลานะนะทำงานก็สามารถพัฒนาจิตใจได้ไม่มีงานทำก็พัฒนาจิตใจไดนะนะ้เพราะโอกาสในการพัฒนาจิตใจคือ มีตลอดเวลานะจะอยู่ที่ไหนเออบางทีก็เจอเรื่องออที่มันไม่ถูกใจนะแต่จริงก็เป็นการพัฒนาจิตใจของเราได้เหมือนกันนะออไม่ถูกใจใจเราติดอารมณ์ไหมเรากออ็จะหลุดออกจากอารมณ์ได้แบบไหนเนี่ยก็เออเราก็ได้ทำการบ้านผ่านไปแล้วนะหนึ่งข้ออนะไรเนี่ยก็เป็นการพัฒนาจิตใจละ นะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น น, ะนั้นชีวิตจริงๆก็คือในะเรื่องการพัฒนาจิตใจนะการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจนะเนาะเราก็ให้มันฝึกฝนตนเองนะพัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอนะแล้วกนะ็วันนี้ก็พูดนะเรื่องแต่ ในหลวงนะที่พระองค์ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะปรัชญาต่างๆที่ท่านมีพระราชดำรัสมาก็เป็นสิ่งที่ก็เราก็เอามาประยุกต์ใช้ไดนะ้ได้ดีมากเพราะว่าพระองค์ก็เอาดับธรรมะพระพุทธเจ้านะเอามาถ่ายทอดมันเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นโครงการเป็นทิต่างๆที่ก็ชัดเจน รวมทั้งวิถีชีวิตของพระองค์ก็ก็มีความสันโดษนะสันโดษเรียบง่ายคำว่าสันโดษคือพอใจพอใจในในสิ่งที่ที่มีนะยินดีในสิ่งที่ได้นะแล้วก็เป็นคนมักน้อยใช้น้อยประหยัดเยนะคือความสันโดษความมัธยัสถ์นะพระองค์ก็เป็นแบบอย่างมาก เราเองก็วิถีชีวิตของพระหรือคนอยู่วัด น, นี่ก็ก็เป็นวิถีแบบนั้นนะคือเรารักน้อยสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ได้นะไม่คนควายไม่ดิ้นดนเรื่องปัจจัยภายนอกอะไรมากมายเอาแค่พอได้ใช้หรือว่าเพื่อเกื้อกูลกันในในหมู่คณะหรือว่าคนที่จะที่ยังไม่มาก็ได้ใช้บ้างเหมนะืนกเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้มันสบายไปเลยมีให้มันเยอะๆไปเลยอันนั้นก็ไม่ไม่เรียกว่าสันโดษนะวิถีชีวิตในวัดในพระ น, นะหรืออยู่วัดเนี่ยก็ต้องมีความสันโดษนะพอใจนะพอใ จ, นะอใจเรียบง่ายปรับตัวปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะปรับตัวปรับใจให้เข้ากับขณะ น, นี้นะนะยอมรับมัน แต่อะไรที่มันไม่ดีเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นได้นะแต่ก็ไม่พัฒนาให้มันสบายให้มันให้มันแบบต้องตามโลกเข้าไปล้วก็ปากไวครับ